เิพรท่านศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สองกรกฎดาคมพุทธศักราช2545เป็นวันพระเป็นวันรรมัสวานณะวันฟังธรรมญาติโยมผู้มีจิตใจแน่วแ น, วแนว่มั่นคงกับ พระศาสนาจึงได้เดินทางมาที่วัดเพื่อประกอบกิจที่เป็นกิจที่พุทธศาสนิกชนพึ่กระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรถวายสังฆท า, า, านสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตางแต่สมควรแก่ฐานะของแต่ละท่าน ที่จะสามารถจับปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจที่สำคัญที่สุดนั้นที่พึงกระทำอย่างสม่าเสมอก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระพุทธองค์จึงได้กำหนดวันธรรมะสวนรขึ้นมาทุกๆุเจ็ดวันหกวันหรือ8ดวันญาติโยมควรที่จะปล่อยวางภารกิจทางโลก การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและหาเวลามาที่วัดเพื่อประกอบกิจที่สาคัญอันนี้คือการฟังธรรมถ้าไม่สามารถมาที่วัดได้ก็ขอให้ฟังธรรมที่บ้านก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีการแสดงธรรมผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือ มีการอัดเทปไว้ในในหลายแบบด้วยกันมีทั้งเทปเสียงเทปซีดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ควรที่จะห่างไกลจากธรรมเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีพธรรมนี้เป็นแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างแล้ว ชีวิตของเราก็จะถูกความมืดบอดครอบงำก็จะไม่สามารถเห็นสิ่งที่ถูกหรือผิดได้เปรียบเหมือนกับตาที่ไม่มีแสงสว่างยามค่ำคืนถ้าไม่มีแสงไฟจะไม่สามารถเห็นสิ่งต่ตางๆในที่มืดได้ฉันใดใจก็เช่นกันถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ใจจะไม่สามารถแยกแยะความผิดถูกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ได้แต่ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วย่อมสามารถแยกแยะได้ย่อมรู้ได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุ ข, ของความสุขและอะไรเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์แสงสว่างแห่งธรรมนี่จึงเปรียบเหมือนกับแสงสว่าง ที่เราอาศัยใช้ดูด้วยสายตาดังมีวลีที่กล่าวว่ า, าสว่างตาสว่างด้วยแสงไฟใจสว่างด้วยแสงธรรมถ้าใจไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจจะเป็นใจที่มีความมืดบอดมีความมืดบอดของความหลงมืดบอดความของอวิชชาความไม่รู้จริง เมื่อมีความมืดบอดครอบงมใจแล้วใจจะมีแต่ความหลงมีแต่คุมความลุ่มหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างคนที่เขาเห็น ว, ว่าการเสพอบายมุขทั้งหลายนั้นเป็นสุขเป็นสิ่งที่น่ากระทำเช่นเสพสุรายาเมาเที <c oughs> ่ยวค่คืนเล่นการประนัน คบคนชั่วเป็นมิมีความเกียจคร้านในการทำมาหากินสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าใครไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วละไปเสพไปกระทำในสิ่งเหล่านี้แสดงว่าใจของคนนั้นเป็นใจที่มืดบอดเป็นใจที่ไม่รู้จักเหตุและผลไม่รู้ว่าเหตุคือการกระทำของเราอันใดทำไปแล้ว นำมาซึ่งความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะไม่รู้ว่าการกระทำบันไดที่ทำไปแล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญดังนั้นคนที่ยังมัวร่มหลองอยู่กับการเสพอบายังมุกทั้งหลายหรือการปฏิบัติการกระทำชั่วทั้งหลายกระทำบาปทั้งหลายเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปลดม ด, มดเทศโกโหกหลอกลวงเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากใจที่มีความมืดบอดครอบงมอยู่ขาดแสงสว่างแห่งธรรมที่จะคอยชี้บอกว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษและเมื่อทำไปแล้วผลก็ย่อมตกกับผู้ที่กระทำนั้นๆผู้ที่กระทำบาป ก, ก็ดีหรือเสพพวกอาบายามุขทั้งหลายที่ดี ย่อมหาความจเจริญนุ่งเรืองไม่ได้ชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายชีวิตจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะนี่คือสัจธรรมความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ไว้ได้ได้ทรงตรัสรู้เห็นแล้วได้นำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ฟังแล้วเกิดความเชื่อ เลือเห็นตามสแสดงว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลสามารถที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอันเกิดจากความมืดบอด ความมืดบอดนี้จะถูกทำลายได้ก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปสู่ในใจเปรียบเหมือนกับความมืดในที่มืดถ้ามีแสงสว่างอยู่ที่ไหนความมืดตรงนั้นก็จะหายไปก็จะหมดไปถ้าไม่มีแสงสว่างอยู่ตรงไหนความมืดมันก็จะเข้ามาแทนที่เพราะความมืดกับความสว่างนั้นเป็นของตรงกันข้ามอยู่ด้วยการพร้อมกันไม่ได้ ถ้ามีแสงสว่างก็ไม่มีความมืดถ้ามีความมืดก็ไม่มีแสงสว่างถ้ามีความหลงก็แสดงว่าไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะก็แสดงว่าไม่มีความหลงนี่แหละคือเหตุผลนยที่ว่าทําไมเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ําเสมอเพราะใจของพวกเราทุกคนนั้นยังเป็นใจของปุถุชนอยู่คําว่าปุถุชนนี้หมายถึงใจ ที่ยังมีกิเลสตัณหาเครื่องเศ้าหมองครอบงำใจอยู่คือความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายถ้ามีความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายครอบงาใจอยู่ก็เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีเมฆมาห่มห่อจนกระทั่งทำให้ดวงอาทิตย์ไม่สามารถแผ่แสงสว่างออกมาได้ฉันใดใจที่มีกิเลสตัณหา เรื่องเศร้าหมองอยู่ในใจก็เป็นใจที่มืดบอดเมื่อเป็นใจที่มืดบอดย่อมไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามได้เพราะไม่เห็นว่าสิ่งที่ดีที่งามนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามนั่นเองกลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ลำบากยากเย็นเป็นสิ่งงมงายเป็นสิ่งที่ไม่มีผลตามมาดังที่คนสมัยนี้มักจะปฏิเสธการเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรก็เพราะใจของเขานั้นไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเขาจึงไม่สามารถมองทะลุมิติต่างๆไดเ้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสามารถมองทะลุมิติต่างๆได้พระพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้พระพุทธเจ้าสามารถเห็นย้อนไปในอดีตก็ได้มองไปในอนาคตก็ได้จึงเห็นทั้งอดีตคือชาติก่อน เห็นทั้งอนาคตคือชาติหน้าที่จะตามมาว่าจะเป็นอย่างไรผลที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้านั้นมันก็เกิดจากการกระทำของเราในปัจจุบันและในอดีตชาติเป็นเหตุที่จะส่งผลตามมาต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้นั้นพวกเราผู้เป็นปุุ้ชนนั้นไม่สามารถมองเห็นได้เพราะพวกเรานั้นยังมืดบอดอยู่เปรียบเหมือนคนตาบอด คนตาบอดจะมารู้จะมาเห็นเหมือนกับคนที่ตาไม่บอดได้อย่างไรไม่เชื่อลองหลับตาดูก็แล้วกันวันไหนว่างๆลองเอาผ้ามาพันตาปิดตาให้มืดมิดแล้วลองเดินไปธรรมะทำอะไรต่างๆลองดำเนินชีวิตตามปกติดูซิว่าจะสามารถดำเนินไปได้ตามปกติหรือไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับที่คนที่ตาไม่ไม่มืดมิดเห็นได้หรือเปล่า นั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างปุตุชนกับพระอริยบุคคลพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นท่านเป็นคนตาดีท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของท่านหมดคำว่ารอบนี้หมายถึงทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตอดีตชาติก็รู้ปัจจุบันก็รู้อนาคตชาติหน้าก็รู้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะถูกบปิดบงังหมดบางได้จาก ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแต่ผู้ที่มีความมืดบอด น, นั้นไม่สามารถเห็นได้ก็เพราะว่าตาเขามีสิ่งที่มาปกคลุมหุ้มหอเขานั่นก็คืออวิชชาโมหะความไม่รู้ความหลงทั้งหลายมันมาครอบงำใจเลยไม่รู้ไม่เห็นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็เลยปฏิเสธไปว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มี คนสมัยปัจจุบันนี้จึงไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอดีตชาติไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าที่จะตามมาต่อไปเลยไม่มีความเชื่อในเรื่องเรื่องกรรมคือไม่คิดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่กลับคิดว่าทําชั่วกับได้ดีมีถมไปเราจึงเห็นคนในสมัยนี้นั้นทําบาปทํากรรมกันมากมีการคดมีการโกงกันเป็น ปกติวิสัยเพราะต้องการความสุขในปัจจุบันเวลาเราทำหากินแบบสุจริญนั้นรายได้เราจะไม่เป็นกาบเป็นกรรมเหมือนกับคนที่เขาทำมาหากินแบบทุจริต mm hmm. เช่นค้ายาเสพติดหรือคอร์รัปชันสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาทำไปแล้วเขาจะได้เงินมาเป็นกาะเป็นกรรมเมื่อได้เงินมาเป็นกาะเป็นกรรมแล้วเขาก็เอามาใช้อย่างสนุกสนาน พ่องเงินทองนี้สามารถซื้อความสุขได้ในระดับหนึ่งความสุขที่เรียกว่าการมาสุขเช่นอยากอยากจะไปเที่ยวเหรออยากจะดูหนังดูละครอยากจะมีสามีมีภรรยาสักกี่ร้อยคนก็สามารถหามาได้ด้วยเงินด้วยทองนี่แหละแต่ความสุขเหล่านี้นั้นเป็นความสุขที่มีโทษตามมามีความทุกข์ซ่อนเล้นอยู่เปรียบเหมือนกับเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เวลาเราคุบเบ็ดเขคุบคุบเหยื่อเข้าไปที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเราก็ต้องคุบเบ็ดไปด้วยมปเมื่อคุบเบ็ดไปด้วยเวลาที่เขากระตุกเบ็ดแล้วเราจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งนั่นแหละคือเรื่องของกา ม, มาสุขกา ม, มาสุขนั้นเวลามีเสพก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดวันใดไม่ได้เสพดังใจขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงอย่างเคยกินเหล้าอยู่ทุกวันทุกเย็นทุกค่า พอวันไหนเย็นวันไหนเกิดไปอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะหามาเสพได้หามาดื่มได้ก็จะเกิดความหงุดหงิดใจการสูบบุหรีก็เช่นกันถ้าได้ถ้าได้สูบอยู่ทุกขณะทุกเวลาที่ต้องการสูบก็มีความสุขแต่ถ้าวันวันใดเวลาใดเวลาที่ต้องการจะสูบแล้วไม่ได้สูบขึ้นมาก็จะเกิดความอึดอัดเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือ ทุบหรือโทษของกรมมาสุดมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นความสุขที่ทำให้เราหลุดพ้นแต่มันเป็นความสุขที่ให้เรากลายเป็นทาตคนเหล่านั้นอยากจะอยากจะเป็นทาตหรืออยากจะเป็นคนที่มีอิสระภาพความสุขในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงชีวะวะ้ไว้ว่ามีอยู่สองชนิดด้วยกันความสุขที่ยังทำให้บุคคลนั้นติดอยู่ต้องเป็นทาตของสิ่งนั้นๆอยู่ กับความสุขที่เป็นความสุขที่หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นทาสกับอะไรเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอะไรเป็นเครื่องทําให้เกิดความสุขขึ้นมาความสุขนี้ก็คือสันติสุขคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องขัดเกลียวชระสิ่งที่สร้างความ ความไม่สงบให้เกิดขึ้นกับใจก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันมีความหลงมีอวิชชาเป็นต้นเหตุทำให้โลภทำให้โกรธทำให้อยากไม่มีที่สิ้นสุดและสิ่งที่จะทําลายความหลงความไม่รู้ได้ก็ต้องอาศัยทาคำสอนพราทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองนี่แหละทาไมพวกเราจึงต้องเข้าหาศาสนา ทำไมถึงจะต้องเข้าวัดกันทุกวันพระก็เพราะว่าเวลาเรามาที่วัดในวันพระจะมีการแสดงธรรมเทศนาแสดงธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะได้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตชาติเรื่องชาติหน้าเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่า ทำอะไรไว้ถึงแม้ว่าชาตินี้อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้กรรมนั้นแต่อย่าไปคิดว่ากรรมนั้นไม่มีผลเพราะยังมีชาติหน้าที่จะตามมาต่อไปและเช่นเดียวกับชาตินี้ชีวิตของพวกเรานั้นก็มีความแตกต่างกันพวกเราบางคนทําะทำแต่ความดีแต่ทําไมมักจะถูกเคราะห์ต่างๆรุมอยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลของกรรมไม่ดี ที่เราทําไว้ในอดีตชาตินั่นเองมันตามมาถึงชาตินี้ได้ถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะอุตส่าห์ทำความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังต้องประสบ ก, กับเคราะห์กรรมต่างๆความความทุกข์ความความความเดือดร้อนทั้งหลายนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลของกรรมเก่าที่เราทํามานั่นเองเพียงแต่ว่าเราไม่มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาแห่งธรรม ที่จะทำให้เราย้อนละลึกกลับไปในอดีตชาติได้ว่าเราไปทำอะไรมาเราถึงจะต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้เราถึงจะต้องมาเจอคนแบบนี้ถึงจะต้องมารับเคาะกรรมรับทุกข์กับคนแบบนี้ต้องให้เขามา <c oughs> ทาร้ายเราต้องให้เขามา <c oughs> สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปไเรื่อยๆเอาธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้มาปฏิบัติแล้ว ต่อไปใจของเราก็จะเกิดแสงสว่างขึ้นมาเข้าอกเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจเข้าใจในเรื่องของวิบาก ค, คือผลของกรรมว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นคู่กันมันมันมันหนีกันไปไม่ได้แยกกันไม่ได้มีเหตุก็ต้องมีผลนี่เป็นเรื่องปกติมีกรรมก็ต้องมีวิบากเพียง <c oughs> แต่ว่ากรรมและวิบากนี้มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ฝ่ายดีเราก็เรียกว่าการทำบุญทำกุศลผลของการทำบุญทำกุศลก็คือความสุขความเจริญนี่ก็คือวิบากของของการกระทำความดีบุญกุศลตายไปก็ได้ไปเกิดที่ดีไปสู่สุคติไปเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลนั่นเองส่วนถ้า ทำความชั่วทำบาปทำกรรมเสพสุรายามเาเสพพวกอบายามุกทั้งหลายแล้วก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปและในขณะที่อยู่ในปัจจุบันชีวิตก็มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความทุกข์ใจหาความสงบ ในจิตใจไม่ได้เพราะจิตใจนั่นจะว้าวุ่นกับเรื่องที่ตนไปไปสร้างมาคือความชั่วทั้งหลายที่เราไปสร้างมาเวลาเราไปทำแล้วใจของเราจะมีความวิตกมีความกังวลเปรียบเหมือนกับวัวสันหลังหวะเวลาอะไรมาแตะมาต้องหน่อยก็จะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมานั่นแหละก็คือลักษณะของของผู้ที่กระทบาบาป เวลากระทำบาปไปแล้วใจจะไม่มีความสบายใจมีความวิตกมีความเกรงกลัวว่าใครก็จะมารู้เขา้าและเมื่อเขารู้แล้วเขาจะมาตาหนิเรามาประนามเราหรือจับเราไปทำโทษเข้าจับเราเข้าคุกเข้าตลางมันจึงสร้างความวิตกความกังวลใจขึ้นมาใจจึงไม่มีความสุขในทางตรงกันข้นขามคนที่ไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทบาบาปทากรรม ใจจะไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใจจะเป็นใจที่นิ่งใจสบายนะี่แหละคือเรื่องของกรรมและวิบากกรรมก็คือเหตุวิบากก็คือผลกรรมก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทำอะไรไปแล้วผลที่จะตามมาก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจจะเย็นใจจะสบายไม่มี แล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีตามมาภายหลังถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีใจก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างเวลาเราเห็นใครเขาทำอะไรแล้วเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมานี่ก็แสดงว่าใจเราคิดไม่ดีแล้วเราไปโกรธเขาเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมา ใจของเราก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาในทางตัวคันข้ามถ้าเราเห็นอะไรก็ตามถึงแม้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามถ้าเรามีสติมีปัญญามีแสงสว่างแห่งธรรมคอยกำกับใจอยู่ก็สามารถที่จะสอนใจบอกว่าอย่าไปโกรธเขาอย่าไปยุ่งกับเขาชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราเขาจะทำดีมันก็เป็นความดีของเขา เขาจะทำความชั่วมันก็เป็นความชั่วของเขาเราไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับการกระทาของเขาถ้าเป็นเช่นนั้นได้ใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาใจของเราก็จะเป็นกลางวางเฉยใครก็ดีเราก็อนุโมทนาด้วยใครเขาไม่ดีเราก็กวดน้าให้เขาไปสงสารเขาอย่าไปโกรธเขาเพราะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าคนที่ทำไม่ดี ไม่ช้าก็เร็วผลของการกระทำอันไม่ดีของเขานั้นย่อมตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองและเช่นเดียวกันกับผลผลของการกระทำความดีเราก็ไม่ต้องไปเชียร์เขาไม่ต้องไปอยากให้เขาได้ดิบได้ดีทันทีทันใดเพราะไม่ช้าก็เร็วผลของการกระทำความดีของเขาก็จะตามมาอย่างแน่นอนมันเป็นของที่มันเป็นธรรมชาติมันเล็กเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่ว่าเวลาที่จะเกิดขึ้นนั้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่อย่างหนึ่งผลอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีก็คือผลที่เกิดขึ้นในใจเวลาคนเขาทาความดีนั้นในใจเขาเขามีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามอย่างเช่นเวลาเราปิดทองหลังพระเราทำความดีแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาชื่นมาสรรเสริญเยนยอยกย่องเรา ไม่มีใครให้รังวี่รางวัลกับเราก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะในใจของเรานั้นเรามีความสุขเราทำไปแล้วเราเกิดความสุขขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีอยัผาทันตาเห็นทันทีทันใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ต้องรอถึงพบหน้าชาติหน้านี่เป็นผลแรกที่เราจะได้รับจากการทาความดีดส่วนผลอย่างอื่นนั้นมันทีหลังก็จะตามมาเอง ถ้าเราทำดีไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วสวรรค์หรือเทวดาหรือมนุษย์หรือคนที่เขามีดวงตาเขาย่อมเห็นการกระทำความดีของเราและในที่สุดความมสะละเสริญหรือลาภสการะทั้งหลายมันก็จะตามมาเองแต่สิ่งเหล่านี้นั้นคุณค่ามันไม่เทียบเท่ากับความสุขที่เกิดในใจของเราเพราะความสุขในใจนี้มันทาให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเมื่อมันเกิดความอิ่มเกิดความพอแล้ว มันก็ไม่หิว e ก, กับลาบสการะอะไรใครจะให้อะไรมาใครจะสละเสริญเยือนย่ออะไรก็ไม่เห็นสําคัญอะไรหรือเขาจะไม่ให้ไม่สละเสริญหรือแม้กระทั่งเขาจะตําหนิเขาจะประนามก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรถ้าสิ่งที่เขาตําหนิสิ่งที่ประนามนั้นมันไม่เป็นความจริงเสียอย่างถ้าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาตําหนิสิ่งที่เขาประนามเราจะไปเดือดร้อนทําไมเหมือนกับเขาบอกว่าเราเป็นสุนัข แต่เราไม่ได้เป็นสุนัขเราจะไปเดือดร้อนทำไมเราไปห้ามปากเขาได้หรือเปล่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะว่าเราเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายมันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะว่าแต่มันเป็นเรื่องหน้าที่ของใจเราที่จะต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรรู้จักความจริงต้องแยกแยะได้จากความจริงจากความเป็นเท็จเพาเราเป็นมนุษย์แล้วเขาจะว่าว่าเราเป็นสุนัขนั้น ก็จะมาเสกมาเป่าให้เราเป็นสุนัขได้อย่างไรนอกจากเราโง่เองต่างหากเมื่อเราโง่นั่นแหละเวลาเขาว่าเราเป็นสุนัขแล้วเราก็เกิดโกรธขึ้นมาเห่ากลับไปนั่นแหละเราเป็นสุนัขขึ้นมาแล้วทั้งๆที่ร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่เพราะความโกรดนี่แหละมันทําให้เรากลายเป็นสุนัขไปมนุษย์หรือคนดีนั่นเขาย่อมไม่โกรธเขาย่อมรักษาจิตของเขาให้เป็นปกติได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลาง การสรรเสริญเยือนยอหรือการตำหนิติเตียนเพราะถือว่าเป็นโลกกระทเป็นธรรมที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้แล้วย่อมจะต้องสัมผัสด้วยกันทุกคนตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงถึงปุตุชนธรรมดาและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ต้องมีสัมผัสกับ สรรเสริญและนินทาเป็นธรรมดาแต่อยู่ที่ใจของผู้แต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรผู้ที่ฉล า, าดอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ทําใจของท่านเป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่าใจของท่านนั้นอิ่มแล้วเต็มแล้วถ้าเป็นน้ําก็บริบูรณ์แล้วไม่บกพร่องอย่างใดจะเทน้ำชนิดไหนเข้าไป มันก็จะล้นออกมาจะไหลออกมาเรื่อเปียบอย่างหนึ่งใจของท่านนึ้นก็อยู่เหนือสรรเสริญนันินทาแล้วใจไม่ซึมทราบไม่รับไม่รับทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นการสารรเสริญหรือนินทาเปรียบเหมือนกับน้ําบนใบบัวบนใบไม้บนใบบัวน้ําบนใบบัวมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมามันจะไม่ซึมทราบเข้าไปในใบบัวนั้น ต่างกับใจของปุุ้ชนนี้ใจของปุุ้ชนนี้เปรียบเหมือนกระดาษรกระดาษซับกระดาษซึมเวลาหยดน้ําเข้าไปในกระดาษซับกระดาษซึมมันก็จะซึมเข้าไปในกระดาษนั้นเลยใจของปุุ้ชนเวลาได้สัมผัสกับสรรเสริญก็จะมีอาการออกดี อ, อกดีใจทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยบางทีเขาชมว่าเราสวยอย่างกับงามจากกวาลแค่นี้ก็ยิ้มแป้นไปละ ทั่งที่เรานะี่มันไม่ใช่เป็นนางงามจักรวาลสักหน่อยและชาตินี้ก็คงจะไม่ได้เป็นแต่ถ้ามีใครเข้ามาพูดอย่างนั้นก็เกิดความรู้สึกดีอกดีใจขึ้นมาและในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครเข้ามาตำหนิมาว่าเราว่าหน้าตาเหมือนกับวัวเหมือนกับควายเราก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาทั้งที่ในชาตินี้เราก็ไม่ได้เป็นวัวเป็นควายไปได้อย่างไรแต่เพราะความ หลงของเรานั่นเองการไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถแยกแยะเสียงคำพูดของคนได้ว่าเป็นคำพูดเฉยๆคำพูดมันไม่ใช่เป็นความจริงคำพูดมันจะมาเสกให้ความจริงเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้จะมาทำให้ก้อนกลวดก้อนทรายกลายเป็นเพชรนินจินดาขึ้นมาไม่ได้จากคำพูดของคนดังนั้นใจของเราจึงไม่ควรที่จะไปวิตกไม่ควรไปกังวล ไม่ควรไปยินดียินร้ายกับคำพูดของคนอื่นเขาเขาจะสรรเสริญมันก็ปากของเขาเขาจะตำหนิมานามันก็